พระบัญญัติ69ก็ภิกษุใดบอกอุตริมนุสธรรมที่มีจริงแก่อนุปสัมบันต้องอบัดปาจิตตีเรื่องภิกษุชาวฝั่งแม่น้ำวัคคูมุธาจบ